บัณฑิจากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในจิตตานอนุปัสนาสติปัฏฐานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมุ่งหมายที่จะถ่ายถอนความยึดติดในจิตของบุคคลทั้งหลายท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า าในจิตใจของบุคคลนั้นประกอบด้วยจริตหลักที่ทรงแสดงไว้ในที่ดีสองประการคือตัณหาจริต จ, จะมีความยึดติดความเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุคือตนเองสามารถสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นขาย แต่เมื่อได้ศึกษากายจนเกิดความเข้าใจอย่างท้องแท้ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราจยู่ใ น, ในกายจิตก็จะไปสายเข้าหาเวทนาซึ่งเป็นน ก, กว่านั้นแต่แท้จริงแล้วการไขว่คว้าสแสวงหาเวทนาการดิ้นหนนเพื่อจะได้เวทนาอันเป็นสุขมันก็เป็นอาการของตัณหาประการหนึ่ง เมื่อบุคคลเหล่านั้นยังไม่สามารถละตันหาในอารมณ์ได้ก็จะมีความเพเลิดเพลินชื่นชมยิน ด, ดีอยู่ในสุขเวทนาเหล่านั้นก่อยความที่จะได้เวทนาเหล่านั้นแต่นั้นจึงทรงสอนให้บุคคลตรวจสอบดูถึงความจริงแห่งเวทนาว่าแม้เวทนาก็ไม่มีความเป็นของตนหรือความเป็นตนหรือความเป็นตัวเ ป, เป็นตนบุไดเวทนาเช่นเดียวกัน ก็สามารถที่จะแก้ตัญหาจิติซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลได้จะในขณะเดียวกันบุคคลก็มีทิฏฐิจิติคือความคิดเห็นที่อาศัยความปักใจฝัใจงใจลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมีการกําหนดหมายในสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเข้าใจว่าจิตเป็นสภาวะที่แท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกนองคิดในลักษณะนี้ได้ฝังรากอย่างลึกลงภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายและมีการเผยแพร่มีการชี้แจงแนะนำอบรมกันมาในแนวนี้โดยลำดับจนถึงอธิบายบุคคลเข้าใจว่าจิตนั้นเดิมทีเดียวก็เป็นกลุ่มของจิตซึ่งใช้คำที่เป็นภาษาบาลีว่า อตาตมันหรือปรมาตามันตามสภาพของปรมาตามันซึ่งเป็นที่รวมของจิตเป็นจำนวนมากมายมหาศาลนั้นเดิมทีเดียวก็มีความบริสุทธิ์ปลุดผ่องแต่ต่อมาเมื่อเจอกับรู ป, ปรวัตถุที่ตันใช้คำวมาประดิจิตก็จะมีความกำหนัดเกิดความกำหนัดในประดิษเหล่านั้นและแยกตัวเองเข้ามาเกิด ก็กลายเป็นชีวิตเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันตัวสภาพจิตนั้นจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในตัวของแก่เมื่อถึงโอกาสหนึ่งแกจะเข้าไปอยู่รวมกับตัวเดิมที่เรียกว่าปรมตัตมันอันเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงและอยู่เป็นเช่นนั้นถูงชั่ว น, นิรันดร์ พื้นฐานทางจิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยทิฏฐิประจกประการหนึ่งได้ได้รับาการและได้รับการปลูกฝังเชื่อความเชื่อถือในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีกประการหนึง่งก็จะทำให้บุคคลยึดถือในจิตว่าเป็นสภาวะที่เทียงแท้แน่นอนดังนั้นจะสังเกตได้ว่าหลักคำสอนที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลนั้น ไมว่าจะเป็นคำสอนในศาสนาพรามหมณ์หรือศาสนาเจนหรือแม้ในศาสนาอื่นๆก็ตามตัวจิตจะอยู่ในสภาวะเที่ยงแทส่วนจะเที่ยงแท้ในรูปใดในรูปของการเข้าอยู่ร่วมกับปรมาตมันหรือในรูปของการสถานมีสถานที่อยู่เป็นพิเศษสำหรับตนเองเมื่อเข้าถึงจุดสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติในศาสนานั้นๆคำนองที่พูดกันว่า เป็นเมืองแก้วเป็นการอยู่สุขชั่วนิรันดร์ซึ่งก็หมายความว่าจิตนั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในจิตสูตรว่าลูกกรพิสูจน์ทั้งหลายการเห็นว่าจิตเที่ยงนั้นไม่ดีเลยเพราะว่าจิตมีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะเกิดดับอยู่ทุกขณะ ตาเธอทั้งหลายจะพึงยึดถือว่าเที่ยงแล้วก็ควรยึดถือว่ากายเที่ยงเสียจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะากายนันดำรงอยู่ได้นานขณะของกายดำรงอยู่มีความเปลี่ยนแปลงเช้ากับจิตทั้งสองอย่างนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงด้วยกันแต่จะเกิดไปกําหนดหมายว่าเที่ยงแล้วก็กําหนดหมายว่ากายจะใกลยกับจิต แต่ไงก็ตามเนื่องด้วยพื้นจริตที่ประกอบด้วยสัสตัิิฐิคือความเห็นว่าเทียงเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากเพราะอะไรเพราะต้นข้าวของพร ะ, ะตัะหานั้นก็อยู่ที่สัสตัดิจิตตัวนี้แล้วก็จะมีการกาหนดหมายสภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเพราะเป็นของที่เทียงแทนแน่นอนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ดูจิตเป็นตัวเอง ให้เห็นประจักษ์แก่ใจตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนจะถึงเช่นนั้นได้คือจะเข้าใจจะยอมรับความจริงเช่นนั้นได้ก็ทรงสอนให้สงบดูจิตในลักษณะดิ่งเนงคือเพ่งพินิดดูสภาพจิตซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละขณะโดยรู้ในแต่ละขณะว่าขณะนั้นนั้นจิตของตนเป็นอย่างไรมารู้โดยท่องแท้แล้ว ควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อจิตซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆในคนนี้ลงแสดงโดยความเป็นคู่คู่กันลักษณะของความเป็นคู่นั้นจึงเข้าใจว่าเป็นสภาวะที่มีอยู่เป็นดูดในโลกนี้จึงเป็นแนวความคิดเริ่มต้นของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดสินพระไทยเสด็จออกพระหนด โดยสมองเห็นสิ่งในโลกนั้นเป็นของคู่คือแก้กันและกันได้เช่นมีมืดมีสว่างมีทุกข์มีสุขมีร้อนมีเจ็นมีกลางคืนมีกลางวันนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทรงกําหนดหมายนการจะแสวงหาทางตัดสู่พอการพอตัดสร่เขาจึงแล้วก็พบว่าสิ่งทั้งหลายมีความเป็นคู่กันคือตรงกันข้ามเป็นปฏิปักษ์กันคือแก้กัน เมื่อยามใดที่ความทุกข์เกิดขึ้นยามนั้นความสุขก็หายไปแต่พอความสุขเกิดขึ้นในขณะนั้นในจุดนั้นความทุกข์ก็ต้องหายไปให้จะมีความเปลี่ยนแปลงกันอยู่ในลักษณะนี้เราไปดูในชั้นละเอีเอยดส่วนจิตก็ดูโดยในัยเช่นเดียวกันทรงแสดงไว้เป็นคู่เริ่มต้นด้วยคําว่าเมื่อจิตเรามีราคะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีราคะ เรือจิตปราศจากราคาก็รู้ว่าขณะนี้จิตก็ปราศจากราคาละลักษณะของราคะจิตเป็นอย่างไรราคะก็คือกิเลสสายโลภะเพราะมีพระพเจ้าทรงเรียกชื่อกิเลสประเภทนี้ไปรู้จักกันแพร่หลายทั่วๆไปนั้นมีถึง10ประการด้วยกันการเรียกออกไปหลากหลายเะนนั้นเป็นการเรียกตามอาการของแก ซึ่งเกิดขึ้นแล้วทําปฏิกิริยาต่อจิตในลักษณะที่แตกต่างกันชื่อก็เปลี่ยนแปลงไปแต่โดยลักษณะอาการท่านก็สรุปไปว่าลักษณะของกิเลสประเภทนี้จะมีความยึดติดแน่นอยู่ในอารมณ์ต่างๆเพราะอะไรเพราะราคะานั้นเหมือนกับยางเหนียวจางเหนียวไปแตะตรงไหนไปติดตรงไหนก็จะติดแน่นอยู่ในสถานที่นั้น ราคาเวลาเกิดขึ้นภายในจิตก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินความยึดติดในอารมณ์อะไรในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิภัณฑ์ใจของบุคคลก็จะยึดแน่นอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นและจะไม่มีการผ่อนคลายจิตใจตราบเท่าที่ยังมีความกำหนัดในอารมณ์นั้นอยู่ ตนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติอาจจะต้องกำหนดพิจารณาเียบเคียงในเวลาว่างๆส่วนดัวสภาพจิตที่ประกอบด้วยราคะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็จะเห็นถึงความจริงว่าบางครั้งความกำหนัดที่เกิดขึ้นภายในจิตในวัตถุในบุคคลในสิ่งของเป็นตน้นตราบใดที่ความกำหนัดก็ยังมีอยู่ความยึดแน่นก็ยังมีอยู่ แม้ว่าวัตถุสิ่งของเหล่านั้นจะแตกสลายไปอาการเสียดายอาการเศร้าโศกที่เกิดขึ้นภายในใจรรายรบความแตกทาลายของวัตถุและบุคคลเหล่านั้นนั้นก็คือผลที่เกิดขึ้นมาจากราคะและถ้าหากว่ายังไปเพิ่มความเข้มข้นให้มากยิ่งขึ้นภายในวัตถุเหล่านั้นแม้แต่บุคคลวัตถุสิ่งของเหล่านั้น ถูกเผาทำลายไปนานแล้วแต่ความเศรา้าโศกความ ค, ครัมควนหาเพื่อสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาก็จะกัดกร่อนใจบุคคลดูนั่นคือลักษณะยึดจิตของกิเลสประเภทราคะหรือประเภทโลภะที่เกิดขึ้นครอบงำใจของบุคคลกรณีอย่างที่ท่านแสดงถึงเศรษฐีท่านหนึ่งที่ลูกชายตายเผาไปตั้งนานแล้ว ลูกจ้าจะนําข้าวปลาอาหารไปวางไว้ที่เพาะศพลกูกร้องให้เรียกหาลกูกให้มารับประทานอาหารนั่นคืออะไรก็คืออาจารย์อาการของจิตที่ประกอบด้วยราคะด้วยโลภะมีความเข้มข้นสูงขึ้นก่อให้โมหะคือความหลงสูงขึ้นโดยไม่พยายามยอมรับถึงความจริงในสถานะนั้นๆ ความโศเป็นต้นก็กัดกร่อนใจบุคคลได้ในทุกโอกาสจาบเท่าที่ความกำหนัดในอารมณ์เหล่านั้นยังมีอยู่ดังนั้นในข้อนี้ท่านจึงอุปมาให้บุคคลเห็นได้ง่ายว่าลักษณะของราคะจิตคือจิตที่ประกอบด้วยราคะอันเกิดขึ้นในอารมณ์ใดก็ตามเกิดขึ้นในรูปเกิดขึ้นในเสียงเกิดขึ้นในกลิ่นเกิดขึ้นในรสเกิดขึ้นในผลึกภะก็ตาม ถ้ายังไม่คลายก็จะติดแล้วจะติดสืบเนื่องติดติดต่อกันไปโดยอุปมาเห็นเป็นรูปภาพประเมินกระเลงติดตังลิงติดตั ง, ง, ตงนั้นมีลักษณะอย่างไรตางเป็นยางเหนียวชนิดหนึ่งที่บุคคลไปวางไว้เพื่อจับลิงเมื่อลิงไปแตะในส่วนในร่างกายส่วนใดของลิงก็ตามไปแตะที่ตัง ซึ่งต่างปกติแล้วเป็นมือหรือเท้าหรือกลนของหลิงแต่มักจะเป็นการนั่งทับต่างมากกว่าในกรณีของการนั่งทับภาพความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นให้เขียนเป็นเชิงรูปธรรม ท, ทันทีเก็เมื่อไปนั่งทับไปติดต่างครับลูกขึ้นไม่ได้ก็พยายามที่จะแกะต่างนั้นออกอาจจะเริ่มที่ตรงไหนเริ่มที่มือหรือเริ่มที่เท้า พอมือเอาเท้าไปแตะมันก็ติดอีกพอปากไปกัดมันก็ติดอีกลักษณะของภาพลิงติดตังจึงเป็นการติดทั้งมือทั้งเท้าและทั้งคนที่นั่งอยู่จิตที่ติดในราคะมีความกำหนัดยึตติดในอารมณ์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะเป็นความยึดติดในส่วนที่ตนกําหนดมาน่าใกล่หน้าปรารถนาหน้ า, า, า, น า, นาพอใจเป็นเบื้องต้น และต่อจากนั้นจะกระจายออกไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุบุคคลที่ใจตนไปจึตติดเอาไว้ท่าจะเริ่มที่คนใดคนหนึ่งและกระจายออกไปในญาติพี่น้องของเขาในพ่อแม่ของเขานั้นในกรณีกําหนัดคนถ้าจะเริ่มกําหนัดในวัตถุมันอาจจะเริ่มที่อะไรสักอย่างหนึ่งและต่อจากนั้นจะกระจายออกไปหาส่วนที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นและจะมีการยึดติจสายออกไปโดยนายะเนมดังนั้นสภาพจิตที่เป็นเช่นนี้เมื่อบุคคลตรวจสอบพิจารณาดูก็จะมองเห็นว่าสูญเสียความเป็นอิสระตนจะต้องวิ่งไล่ความอยากเพียงพยายามตอบสนองให้เหมาะสมกับความอยากที่บังเกิดขึ้นในอารม์นั้น ซึ่งก็จริงแล้วก็เหมือนกับการล่าไล่คว้าจับเงาไม่มีโอกาสที่ใครจะไล่จับได้การเปลี่ยนไปยาตอบสนองและยึดจิตในวัตถุในอารมณ์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันไม่สามารถจะก่อให้เกิดความเต็มความอิ่มความพอความหยุดความควรขึ้นภายในใจได้ต่อจากนั้นก็จะมองเห็นโทษของราคะที่เกิดขึ้นภายในจิต ความคิดที่ประกอบด้วยสติและสัมผัสัญญาก็จะรู้เป็นจักชัดอารมณ์แล้วก็เพียนขจัดอารมณ์ในลักษณะนั้นออกไปอีกประการหนึ่งก็จะเกิดความเพลิดเพลินจินตีในอารมณ์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นซึ่ง้นลักษณะเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่บุคคลรู้ได้ดูได้เข้าจะได้ เมื่อใจของบุคคลไปกำหนัดในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะแสดงความเพลิดเพลินความชื่นบานมีการเฉลิบเฉลองนั้นออกมาทางกายทางวาจาเมื่อมองย้อนกลับไปถึงจิตก็จะพบว่าจิตของบุคคลนั้นประกอบด้วยความกำหนัดความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นจนหยุดไว้ภายในไม่ได้ก็ออกมาจากภายใน อ, ออกมาในภายนอกเป็นรูปของความเพลิดเพลิน การเฉลิมฉลองการวิ่งเต้นการเปลงอุทานการตะโกนออกมาเป็นต้นก็แล้วแต่ความรุนแรงของความยินดีที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นซึงแน่นอนความรู้สึกในลักษณะนี้ก็จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจนถึงกำะมบอกมุ่นครุ่นคิด แต่เมื่อหมกมุ่นคุกรุ่คิดค้าวความหลงก็จะเพิ่มสูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเป็นตำนองอะไรํำนอง<ม>พระอภัยบาณีหลงรูปนางเราเองลงไปลงมาเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆจนเกิดอาการในลักษณะที่เรียวกว่าคลุ้มครั้งนั่นคืออะไรใจคือใจที่มีความกำหนัดกล้าในอารมณ์เหล่านั้น ดยมองดูภาพทศ ก, กัณ์ที่เพ้อฝันถึงรูปนางสีดาเป็นต้นนั้นคือมองในเชิงรูปธรรมก็จะเห็นลักษณะอารมณ์ที่แสดงออกมาเป็นเช่นนั้นนั่นก็คือจิตที่ประกอบด้วยราคะมีการปรุงแต่งจิตทำจิตให้เปลี่ยนแปลงเกิดความสับสนปลายภายในจิต้มองเห็นในจุดนี้ก็ ถ้าปริมาณของสติ ส, มญญสัมปจนญาณสูงก็จะมองเห็นทวชัดเจนเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วทัศนะอิประการต่อไปนั้นจะพบว่าบุคคลเมื่อเกิดกำหนัดกราดในอารมณ์ใด อ, อารมณ์หนึ่งก็จะมองเห็นความบกพร่องในสิ่งเหล่านั้นน้อยลงไปและในที่สุดจะมัวหมองหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านั้นมีความหลงจัด ยูในอารมณ์ดอกนั้นหรื ว, ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามข้อนี้มองดูในรูปที่เป็นพฤจิกรรอันแสดงออกมาภายนอกของบุคคลเช่นบุคคลมีความกำหนัดในการเล่นการพนันคือเพลิดเพลินยินดีโดยการเล่นการพนันก็จะเพลินอยู่ในเรื่องเหล่านั้นลืมวันเวลาผ่านวันเวลาในบางครั้งบางคราวอ่านหนังสือที่ชอบใจเข้า นหนังสือกำลังภายในหนังสือนวนิยายต่างๆเป็นต้นจะมีความหมกมุ่นมีความรุ่มหลงมัวเมาเพิ่มขึ้นในในอารมณ์เหล่านั้นในเรื่องเหล่านั้นแล้วไปแตะในอะไรก็ตามภาพความเคลื่อนไหวที่แสดงออกมาทางกายทางบระจักก็จะออกมาในลักษณะ น, นั้นท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจมีความมัวเมามีความกำหนัดกล้า ในวัตถุในอารมณ์นั้นๆซึ่งบางครั้งบางคราวสร้างความวิปริตเปลี่ยนแปลงขึ้นมาภายในจิตเช่นบ้าเพราะรักบ้าเพราะสูญเสียเพราะผิดหวังเป็นต้นและมีลักษณะบางครั้งความคิดในทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนถึงอาจจะช็อกตายไปก็มีมีตัวอย่างมีนิทานบุคคลที่ท่านแสดงเอาไว้ ในในสมัยพุทธกาลเองได้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลเหล่านั้นแต่เป็นปริมาณเข้มข้นจัดเกิดขึ้นรุนแรงครอบงำจิตตั้งหลักไม่ได้และจนถึงช็อกตายไปนี่คือความรุนแรงของกิเลสประเภทนี้แต่เนื่องจากเป็นกิเลสประเภทที่ก่อให้เกิดความกำหนัดความพเพลิดเพลิน ลักษณะรล่อเลี้ยงใจมีการตอบสนองทำให้บุคคลชื่นชมยินดีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นบางครั้งบางคราวแม่นึกครืมอยู่ภายในใจก็รู้สึกเพลินเพลิ น, พนดีราคะจึงเป็นกิเลสประเภทที่เหมือนอยางดังกล่าวแล้วคือติดตรงไหนก็นําระออกได้ยากความกำหนัดที่เกิดขึ้นภายในใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจากลักษณะอาการที่ รามาแล้วนั่นทาให้กิเลสประเภทนี้ก่อให้เกิดความกาหนัดความเพลิดเพลินความยินดีจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งแล้วคืบคลานเรื่อยไปในอารม์นั้นนันใจจะกำหนดแล้วใจจะเพลิดเพลินประกาหนดแล้วก็เพลิดเพลินปริมาณความเข้มข้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละขณะและการกำหนดหมายของบุคคลเหล่านั้นแต่ลักษณะาอาการจะแสดงมาในแนวนี้ ตอนนั้นรพระพู้มีพระภาพเจ้าจึงทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติชายธรรมะที่จงกันข้ามเพื่อให้ใช้สติระลึกและใช้สัมปชัญญะรู้ประจักษ์แจ้งแก่ใจในขณะนั้นๆซึ่งในทางของการประพฤติปฏิบัติท่านมักใช้คำว่าระลึกรู้คือรลึกทันในขณะนั้นรู้ทันในขณะนั้นแล้วก็แก้ปัญหาตัดสินไปได้ในขณะนั้นๆ ซึ่งแน่นอนหรือเกินประการตามดูจิตให้ทันถึงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละกั น, นกสติจะต้องเป็นไปเปลวสัมปชัญญะจะต้องมีกำลังมากและความเพียรจะต้องมีปริมาณสูงคือสามารถปรักดันให้ปิ้งไล่ทันต่อกิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในใจในกรณีนี้ในตอนต้นๆ อาจจะเป็นการดูนิ่งอยู่เฉยๆก็ได้มันเหมือนอะไรเหมือนเราดูกระแสน้ําที่ไหลหไม่ต้องคิดอะไรแต่นิ่งอยู่กับกระแสน้ําที่ไหลใจก็จะสงบอยู่ในจุดนั้นแล้วในจุดนั้นเองใจเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในกระแสน้ําอันไดเป็นความไหลที่สืบเนื่องหลุนเนื่องกันมา การพิจารณาเห็นตามพระสยรัก์ก็บังเกิดขึ้นนั้นเป็นการเดินตามแนวสมถกรรมาฐานและวิปัสสนากรรมาฐานแต่ถ้าหากว่าจะคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้ก็คือการรู้ลักษณะของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นต่อจิตว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษในกรณีของราคะก็เป็นโทษแต่โดยเฉพาะราคะเวล า, ากเกิดก็กระซิบใจด้วย อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความดํำริด้วยอํานาจความใคร่เป็นกามของบุรษุษหรืออำนาจของราคะเป็นกามของบุรษุษคือเป็นความใคร่ของคนลองนึกดูว่ารูปทั้งหลายที่ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่คิดถึงแก่แก็ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้ความไขว้คว้านปรารถนาเป็นต้นตลอดถึงกระสับกระซาญอยากพบอยากเห็น ก็ไม่เกิดว่าต้องเริ่มด้วยความคิดเป็นการคิดซ้ำคิดซากที่ทรงใช้วาการมาสังกับปากด้วยความด â รดีด้วยอำนาจความใคร่ถ้าดําดีในรูปอื่นมันจะไม่เกิดราคาต้องด â รดีด้วยอำนาจความใคร่จึงจะเกิดเป็นราคาขึ้นมาได้และจะต้องคิดซ้ำาๆัซากๆกด้วยแต่เมื่อได้ดึงจิตไปดูไว้เฉย ไม่ดมิมริตต่อแกจะเป็นอะไรก็เรื่องของแกเราก็ดูนิ่งๆเฉยๆอยราคาก็ต้องสงบไปเพราะแกไม่ได้เชือ้อเหมือนไฟไม่ได้เชือ้อจิตใจของบุคคลก็จะสงบจากอัปนาตของสิ่งเหล่านั้นนี้พูดถึงกรณีคู่ๆูกันเพราะในกรณีทั่วไปนั้นไม่แน่คือแกอาจจะสงบด้วยราคะแต่ร้อนด้วยโทรศั์ก็ได้แต่ถ้าพูดกันในกรณีเป็นคู่กู เมื่อทำได้เช่นนี้จิตก็จะสงบจากราคะได้และปัญญาก็จะพิจารณาเห็นถึงลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยราคะว่ามันก่อให้เกิดการหมุนบุนเป็นวัตตะหมุนๆในช่วงสั้นชวนสั้นคือการขวอยคว้าอารมณ์ เด่นได้ว่าสิ่งที่เรากําหนัดสมมติว่ากินรับประทานอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเกิดพอใจยินดีในอาหารนั้นจะไม่มีการรับประทานครั้งเดียวแต่จะกําหนัดอยากรับประทานอยู่เรื่อยจะได้เสื้อผ้าสวยๆฟังเพลงสวยๆเห็นรูปสวยๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็หมุนบนคือซ้ําๆสักๆหมุนอยู่ในเรื่องนั้นเที่ยวไปเที่ยวมาบางทีก็เป็นขาประจําในร้านอาหารนั้นๆเป็นต้น ซึ่งแสดงว่าก่อให้เกิดอาการหมุนวนขึ้นในการดำรงชีวิตนั้นในช่วงพฤติกรรมที่สะท้อนในชีวิตประจำวันแล้วก็หมุนวนทางจิตคือคิดแล้วคิดอกีกคิดหมุนกลับไปกลับมาอยู่ในเรื่องนั้นเมื่อแกหมุนวนได้ในปัจจุบันก็ต่อไปก็ก่อให้เกิดการหมุนวนในสังสารวัเพราะจับใดที่ตันหา ที่ราคะยังมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลการบุญบนในกระแสสังสารวัฏก็ต้องมีอยู่สักนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้บ้าตัณหาชเนติบุริสังตัณหานั้นทําชนให้เกิดเมื่อถ้ามีตัณหามีราคะหรือมีโลภะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามถ้าตัวขังแกยังมีอยู่ภายในใจของบุคคล กจะก่อให้เกิดความหมุนวนทั้งช่วงสั้นช่วงยาวและช่วงเป็นทั้งสาระวัตรจะหมุนวนอยู่ในอารมณ์นั้นๆในเรื่องนั้นๆและในสังสาราวัตรตามปริมาณของความเข้มข้นที่ัเกิดขึ้นภายในใจแต่มีความเข้มข้นจางหน่อยแล้วก็หมุนวนลอยได้สูงหน่อยคือมีพบมีชาติที่ประนีขึ้นหน่อยแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ของการหมุนวนนั่นเอง นี่ก็เป็นการส่งสอนให้ดูสภาพจิตว่ามีราคะหรือไม่มีราคะเป็นการดูในชั้นหนึ่งือดูนิ่งๆแบบดูกระแสะน้าไหลเพื่อใจสงบอยู่กับอารมณ์นั้นเท่านั้นสติสัสมปชัญญะความเปลี่ยนช้เหมือนเดิมีกชั้นหนึ่งนั้นเร่งปริมาณสติสัมปชัญญะความเปลี่ยนขึ้นคือพิจารณาดูด้วยประจักษ์ชัดแล้วก็ใช้สติตัดอารมณ์อย่างหนึ่ง แล้วลึกรู้อารมณ์และใช้สัมปชัญญะตัดหรือบางทีก็ใช้สติปิดกัน้นในกรณีที่เป็นราคะพอถึงจุดหนึ่งก็จะมองเห็นว่าแท้จริงแล้วมันเปลี่ยนแปลงเหมือนน้าไหลไฟสว่างนั่นเองจิตไม่ได้เที่ยงเลยแกไม่ได้เป็นราคะอยู่ตลอดและแกไม่มีความเข้มข้นหรือเจือจางอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอด เลกาเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในจิตจิตจึงถูกย้อมสีด้วยอารมณ์ต่างๆด้วยเจตสิกหรือด้วยกุศลอกุศลต่างๆที่บังเกิดขึ้นภายในจิตอยู่ตลอดเมื่อความรู้บังเกิดขึ้นแต่จิตในลักษณะนี้ก็จะผ่อนคลายความกำหนัดยึดติดคือความหลงในจิตด้วยอํานาจที่ถิจริตลงไปได้โดยลำดับต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ ตั้งใจทำความสงบสืบตอ